นั่งสบายประชาชสบายนะคราทราบเนาะแล้วหลังจากนี้ไปเป็นจุยุงวันนี้วันที่สิบสามเรื่องงานองพปแอร์วันนี้ก็ได้บอลไปเทสสิบสีขึ้นดอย15่ไลงไปแอร์ลงจูเมนส6บหกเป้าลำยาวที่สิบหกเาคงไม่ได้อยู่ ยาวหรืยสปดปลายเดือนอันนี้ก็ตารางแล้วก็วันนี้อาจารย์เลขาบนนัดพวกเราประชุมนัสถายธรรมการวัดที่ห้องรับรองนี่หลังจากกินข้าวกินปลากันแล้ว่อไปคุยกันตัวนเรื่องอะไรหรื อ, อาจารย์เลขาค่รจะแจ้งให้ทราบ เข้าเรื่องท่านเผื่อพิธีกรรที่เราต้องหลายทำวิจุารณมตนที่เราล้อมคนสับปะรดทั้งหลายให้เป็นกลุ่มพิธีกรเป็นเดียวกันป่วยไงเพื่อเข้าใจตรงกัน เพื่อเตรียมตัวเงิ้นคนเยอะๆมันก็จกแบบจกจ้าแจ้เมืองแห่งเป็นพันคนแต่ตัองอ้งิธีกรณร์ในการเตรียมตัวก็คือตายวาจาเราะว่าตัวคือตายวาจาคือยุติย่างความสงบเกิดขึ้น บืงต้นควาสมสงบทางกายตอนนี้ควาสมสงบทางวาจาอันีะเห็นได้ดชัดแต่ตัวที่เราเห็นไม่ค่อยเห็นน่คือสงบทางใจซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสง บ, บทางกายกับวาจาเหมือนกั บ, บ, บ, บเอากรรไกรทับไปเฉยๆเอายกกรรไกรนันออกเหมือนเดิมยากป็นอะไรมันก็เกิดมาอีก คือถ้าไปมันก็อยู่แต่มันก็กัน ร, ร่มไม่โดนแดดป็นผลเอาร่มออกเหมือนเดิม น, น, น, นี่คือสำคัญแต่อย่างไรก็ตามพิธิกรรมไม่ใช่เรื่องจะเป็นสาระเรื่องสำคัญส่างขาดไม่ได้ปัจจุบันนี้จนปลายเป็นเรื่องขาดไม่ได้ ขาดเรืมอพฤติกรรมเรื่องรรอะไรวิธีไปต่อไม่ได้อันนี้เป็นความจําเป็นความเชื่อแนวความคิดสุดท้ายเราข้ามพวนี้ไม่ได้ข้ามมัได้ก็แปลว่าต่อวัสามารถที่จะไปต่อให้มันที่ละเอียดมากไปมันี้ไปไม่ได้เราอยากเปรียบเทียบให้พวกเราฟังเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ โบราณอาจารย์ท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ําตอบทําเลื่อมประเด็นนี้ชินธรรมเปสู่วัฒนธรรมคือเจริญด้านขั้นมีวิธีคิดวิธีสอนรเราที่เป็นรูปธรรมบางเรื่องเป็นนามาธรรมก็มาให้เราก็เห็นเป็นรูปธรรมสุดท้ายเราก็เอารูปธรรมเอาเป็นเอาตาย เป็นักเข้าใจวัตถุประสงค์คือคืออะไรเช่นโบสถ์หรือหาร์ชีดีเดียวนี้เป็นต้นวานกระพากันไปดูหลายที่หลายทางหลายวัดแต่ละวัดแต่ละที่แต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันและคือภายนอกเปวดภายในดูกันไม่ได้เอาแค่ภายนอก เนนี้มันมดูวัตถุปรสมที่แท้จริงคืออะไรวิหารที่ิปิคำเรียกทางเหนือทางอื่นก็ไม่เรียกกันตั้งเหนือก็เรียกวิหารไ่ได้ไปอาโบูสมามเ ม, มืองเหนือใหม่ๆก็งงกันว่าวิหารกับบุตรมันมันต่างกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงไหนแล้วทางเหนือเขาจะแยกวิาหารคือวิาหารโบุตรคือบุตรเขจะแยกหลังต่าง จริงจริงเราบริหารก็เป็นที่อยู่ในปฏิบัติธรรมที่พากอาศัยโบสถ์ก็ที่ทำสังฆกรรมของพระบรรมายแค่นี้โบรถ์มาจาอุโบสถสถาบันอุโบสถเพื่อจำศีลเฮานะประมาทจรงเจดีย์เจตีะเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นอนุสรณ์ เสือเห็นว่า <c oughs> เราพูดถึงจริงทำอย่างไรเพื่ให้มองธรรเป็นธรรมะประเดี๋ยวเป็นธรรมะได้อย่างไรเจดีย์เต็มบ้านเต็มเมืองอย่างพวกเราเชียงใหม่พม่าพุ ก, กามเป็นมันเหมือนองเดือดทะเลเจดีเป็นมันเหมือนนี่วัตถุประสงค์คืออะไร ก็เลากคิดแปลคนละิดครละทานจริงๆแล้วเจดีย์เป็นาสนาธรรมให้วกเรให้เห็นต้องแต่เรื่องหยาบๆหนึ่งกลางถึงเรื่องเป็นที่สุดคือหยอดคือละเอียดแต่ว่าก่อนหน้าเจดีมันมก็วางอยู่บนที่ฐานก็คือดิน จะเดรอยตากันไม่ได้ทุกที่ทุกอย่างเศนาสนะไม่วจะเป็นต้นไมา้สายน้ำโป่เขาล้นมีดินเป็นที่ตัง้งต้อนเรียกว่าดินถ้าไม่มีดินตั้งอยู่ไม่ได้ดินมันจะอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำมันกลับไปสู่ดิน น, น้ําไหลมลงจะกลัหมา มาดูเจดีเมื่ D, เป็ น, พ, นพื้นฐานอย่างไรของชีวะมอห์อมันจะเป็นศิลปะสบทรงอะไรก็แล้วแต่โดยพื้นฐานฐานแรกของเจดีจะเป็นฐานที่ใหญ่ส่วนที่ใหญ่ ท, ที่สดุด material เป็นไปได้จะเป็นยอดตะเล็กที่สดุดส่วนรูปทรง ส่งอบอกส่งเตรียมระงังความต่อไปอีกเรื่องหนึ่งเมื่องศิละปะแต่หลักๆประมนณนี้วิศนาธรรมต้องการให้เราสอนให้เรารู้เห็นว่าจีดีตั้งบนพื้นฐานจีนี้ใต้จีดีให้เราแค่เริ่มต้นขึ้นชั้นแร้ส่วนที่ตั้ ง, งก่อนจีดี พวกเราลองนักดูอาเป็นคนเป็นสัตสวตออ์สิ่งมีชีวิตมีวิญญาณของเอาอย้่แล้วกันสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณของก็คือคนสัตว์กระสประเภทนี้นะส่วนสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณของเป็นต้นไม้เป็นตน้นเขาก็มีมชีวิตเหมือนกันแต่ไม่มีวิญญาณของเฉพาะที่มีวิญญาณของ เรามาดูว่าชั้นแรกก็คือคนก็คือมนุษย์เนี่ยแต่เป็นทางแต่ต้องเป็นคนนะเป็นคนก็คือมีสินตอ น, นเริ่มตน้นเริ่มต้นจากมีสินเป็นฐานอาจจะไม่ครบเอีกทางเดีวยวภางที่สองก็สินครอบ สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็จะไล่ไปเรืเร่ยอยๆจะเป็นยอดยอดสุดแหละก็เหมืออธิบายทั่วไปตัวนี้หลังจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่เรียกว่าคนก็คือสัตว์พวกนั้นเยอะที่อยู่ใต้ดีอยู่บนแผ่นดินเยอะ กว่าคนคนหนาขนาดนึงแค่แปดพันล้านคนเดิมเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ป ร, ประกาศประมาณแปดพันล้านคนอัทุโลกแต่นิสสัพสัาทังหลายเราลองดูมันนับไม่ท้วนใต้น้ำบนอากาศใต้ดินมันเยอะมาก ที่ต่ำกว่าเนี้เยอะมากพูดง่ายก็ต่ํากว่าคุณต่ํากว่าตรงไหน ต, ตรงศีลนี่แหละเป็นตัววัดศีลห้าข้อนี่แหละเป็นตัววัที่เราเราไปเราไปเพราะฉะนั้นอยากให้สื่อให้ที่หลังๆยให้พวกเรารับเอาเองมันจะได้คิดได้เออจริงๆอศีลหา้านเราสมทานเองได้เราขอเองได้ทําไมจะพาสองอ ง, องค์ยาวเดย๋ยตอนเมื่อเราคิดได้อย่างนี้ วันไหนที่เราไม่ได้มาวัดอยู่ที่พิบานเราก็สัมมาตาได้เพื่ออะไรเพื่อให้สูงกว่าเขาเหรอนานอย่างนั้นมันก็เป็นสเปซสตาอยูน่นะะมีสัมว์สัทว์ทั้งหลายปูหอยปูปลาช้างมาปูกลายตัวนั้นไม่มีเลยตัวเดียวก็ไม่มีนะเห็นไหมเพื่อเป็นอนุสติเราคิดได้ว่าระหว่างนะวันไหนขณะใดาจิตของพวกเราไม่มีศินสรักตัวบัญจัตไม่ต่าง ไปจากเขาเหล่านั้นแต่เราซ้ำกันนะเข้าอยากเราเป็นคนอยู่ก็คิดเองเราเป็นคนานานๆเขาบอกคนที่เฉยๆโกรธเราเป็นมนุษย์ถามว่าเป็นตรงไหนเราได้คําตอบแล้วเราเป็นตรงไหนแต่โูงปากก็น่าจะเป็นพระถ้าเป็นพระตรงไหนศินตกบกพร่องสินด่างสินน้อยตายก็อย่างนั้นวาจา ก, ก็อย่างนั้นแล้วเป็นพระตรงไห น, น อันนี้ยังไม่ได้เพระจะสมบูรแบบนอะอ๋อครับเป็นพระนีเ่เฉยนีย่คืความแตกต่างถ้าเราไม่เห็นความแตกต่างเหล่านี้สุดท้ายมันก็เสมอกันหมดคือมองไม่เห็นหัวกันเท่ากันหมดไม่ว่าใครเป็นปูนนน่แกอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาตุ้นเล็กตุ้นใหญ่จะไม่มีเขาครบรสแล้ถึงอยู่ไหนความแตกต่างก็มีแต่คำว่าเจือดี วัตถุประสงค์การที่เราเห็นอย่างนี้โบสถก็เช่นเดียวกันโบสถ์เป็นที่เกิดเป็นที่อุบัติถ้าเทวดาเขบอุบัตริรู้จิติคือเคลื่อนคือเคลื่อนจากคนธรรมดาคืออุบัติจากคนธรรมดาเนี่ยเกิดขึ้นจากคนธรรมดาคนธรรมดาหมายว่าอาจจะไม่มีสิ่งกักรัวเลยหรือมีบ้างไม่มีบ้างเอาเข okay, ว่าเป็นคนแล้วกันจากคนเป็นพระ คนธรรมดาเป็นพระนัดโบสอุโบสถจะเป็นจุดเริ่มต้นของพระอาริยะพูกง่ายๆอย่างนี้การโบวชนี่คือการจุดเริ่มต้นของชีวิตแต่ว่าเริ่มต้นแล้วจะไปต่อหรืออยู่กับที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่บคุคคลก็เข้าใจว่าบวชเป็นผ้าแล้วต่อมาด็กล่าวไปต่อไม่เดินต่อไม่ดำเดินต่อหลมัคคะห ร, อ ห, รอหอนทาง มีอยู่แต่ไม่เดินเพราะนั้นอริยสัจสี่ส่วนสี่คือมักคือวิธีปฏิบัติเราไม่ไปต่ออุ้มใจความเป็นพระภปลุกใจจะเอาผ้าเหลืองมาห่มมันก็เป็นได้แค่นั้นเกิดจิตไม่มีอะไรเลยเป็นได้แค่ตกคุมกายกับวาจาคือเอาผ้าเหลืองคุมมาไว้ทาเป็นเหนือนนอกต่อไป น, นี้ไม่ได้คุมก็คือคุมได้วยสิ่ง สิ่งไปถูกกรอบเหมือนตีกรอบเอาไว้เหมือนรูปภาพเราไม่กรอบไม่ได้นะมันกรอบมา้วแบบมันนี่ก็แตกต่างนั้นอุโสถก็จึงเป็นพิบอของพระการบวชของพระท่านก็จะบอกเลยว่าเจตนารมณ์การบวชของพระเนี่ยต้องความเข้าใจตรงกันพระอูเชน่าก็จะสอนว่าก่อนที่เป็นพระเป็นแนรคือบรรพชา หลังจากนทร์จะอุปสมบทสองคำเนี่บนบยบรรพชาป่าวะชะบรรพช า, า, ชาก็แปลว่าจากนี้ไปเธอจะต้องงดเวน้นสองคำง่ายๆแค่นี้เธอจะต้องทําความเข้าใจให้มากในแต่ละวันเธอจะต้องงดอะไรเธอจะต้องเว้นอะไรสิทธิ์เพีงดตงดอะไรเว้นเว้นอะไรนี่นคือจุดตน้นๆเป็นงด ทำสิ่งเดิมๆที่คารวะยาเดิมเขาทากันเหยียามายา ก, การอยู่กันกินเนืินเหินเดินทุกอย่างตรงอดก็เว้นจะทำอย่างนั้นไม่ได้หลังจากนั้นเสร็จเพื่อให้มั่นคงเพื่อให้มั่นใจในพุทธศาสนาเธอต้องรับอภาระบระรลักษณ์ไว้คือต้องเคารพพระพุทธเจ้า ค, คุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณพระฤาษีสองนี่คือคุณสมบัตินะประการแรก ก็เธอไปล่วงละเมิดไปล่วงเกินไปกาวตัวจับช่วงตรอพุทธประธาประสงค์เมื่อไหร่ความเป็นสามเณรก็เธอว่าขาดม้เอาผเหลืไม่ใส่แต่ความเป็นสามเณรภายในเขาเป็นสามเณรการด้า น, นการรับเอาพระราชทานแจกจบลงครั้งที่สามก็ถือว่าเป็นสามเณรแล้วส่วนสินคนละเรื่องสินเป็นเรื่องก็ต้องปฏิบัติไม่เกี่ยวความเป็นเนเมื่อเป็นสามเณรเสร็จแล้ว พูดทางคำบางต่างๆแตงนงกระชามิที่พึ่งอื่นนอกจากนี้ไม่มีแต่ก็ต้องโุ่งไปอย่างนี้เมื่อพป้งกินนี้เสร็จเธอท่านศึกษาพูดทางแตนังกระชามิข้าพเจ้าควาถึงข้าพเจ้ามาเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าคือใครข้พาพเจ้าเป็นคุณสมบัติอย่างไรมีตัวตนอย่างไรทําไมข้าพเจ้าถึงเป็นที่พึ่งของพวเราได้คำบังแตนังกระชามิาสภาวะธรรมจริงๆคืออะไรไม่ใช่ไปไตจัปดดก เราเข้าใจกันไม่ใช่นังสืออยู่ตามตู้อั้มังจงะนังกระจายไมคืออะไรคือสภาวะที่เป็นธรรมชาติเป็นเองเป็นเอง ม, มันมีอยู่แล้วไม่มีใครปั้นสร้าไม่มีใครตกแต่งมันคือธรรมชาติเป็นเกิดแก่เจ็บตายยางที่เป็นต้นเย็นร้อนอ่อนแข็งดื่น้ําไฟลมเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือสภาวะธรรมและเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากน้อยขนาดไหนในชีวิตปัจจุบัน เมื่อผัสสะคปกระทบพบเจอต้อมีความรู้สึกอย่างไรพูดง่ายคือได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านี้อันนคือสากัญหลังจากนั้นเพื่อให้เข้าใจคือให้เห็นสิ่งเหล่านีน้มากขึ้นให้ไปสอนว่าบวชมาแล้วจนะิจระน้าทีอื่นไม่มีนะทุกคนที่เป็นนักบวชกิจระจะไปดื้นโดนคนฝยย่างอื่นไม่มี มีหน้าที่อย่างเดียวคือดูตัวเองดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นเอาทุกวันเราก็เห็นไม่ใช่หรือเห็นด้วยสัญญาแต่ยังไม่ได้เห็นด้วยปัญญาต้องการให้เราเห็นด้วยปัญญาท่านก็นจะสอนตั้งแต่หัวเจรตเท้านี่สอนธรรมดาสอนแต่ศีรษะถึงปลายเท้าไม่าจะเอาสกันเนี้มาให้มองว่าหัวเจรดเท้าเป็นยังไงเป็นที่อยู่เป็นที่ตั้งเป็นที่มาของอะไร าการสรุปให้เราฟังอเป็นที่ต่างของสกปรกโสมอมอสุภะของไม่สะอาดของเน่าของเหม็นผมนั้นต้ไม่ทําอะไรเลยเป็นยังไงฟันถ้าไม่แปรงเป็นยังไงหนังถ้าไม่อาบน้ําเป็นยังไงและยังไม่พูดถึงภายในคือตับตาใส่ปุงใส่น้อยใส่ใหญ่ของใหม่ของเก่าที่อยู่ข้างในเรายังไม่พูดถึงุดนี้เรายิ่งมองไม่เห็นเลยในเชฟเป็นจําทันไม่คิดว่าข้างในเราเป็นของสกปรกโสมอง มองไม่เห็นมันมีอุจจารอุปสรรคอยู่ข้างใ น, นรู้แต่ไม่เห็นในกระเป๋าความเป็นจริงนี่นนแหละทันเิเรว่าวิปัสสนาต้องการให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสายตาไม่ใช่ตาเนื้อตาหนังแต่เป็นตาในตาในเกิดด้วยยังมีหรือยังเป็นหรือยังเเอาแค่นี้ ตันตาโหยยช่กันเนี่ยถ้าเราโอมาออไมาเปลี่ยนจริงเรื่องแล้วเนี่ยสํานักหลายแหล่ที่ตั้งตั้งขึ้นมาสำนักนั้นท่านนีวิปัสนาวิปัสนาคือเห็นตัวเองคืตัวไหนก็ได้เขาให้เราเห็นตัวเองเห็นตัวเองคือวิปัสนาคือรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงเห็นตามประปีจริงแล้วก็เขาก็อยู่เขาอย่างนั้นดึงกัเป็นดินน้ำหรือนะไปดึงไปลงก็เป็นลมสุดท้ายดินน้ําไฟลมเขาก็แยกไปอยู่ตามธรรมชาติของเขานั่นคือธรรมะ คือธรรมชาติเอาเขาเพื่อมาเกิดเองเป็นเองเขาทรรมชาติแต่ตัวที่มันไปต่อมันไม่ใช่ดินน้ำฝ่ายลมันไม่ใช่รากก า, ายไม่ใช่ผมหัวเล็บฟันหนังตัวที่ไปตาฝิกจิตจเป็นไปยังไงใ น, นเมื่อมรรคมันไม่เกิดได้เลยหนทางในกระดับี่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เป็นยาไม่เกิดเลยที่เป็นวิถีของชีวิตคือวิถีของจิตมันไม่ไปแก้วหน้าไปไหนเลยมันยังอยู่ที่เดิม เหมือนเดิมแบบว่าวิธีคิดกับเหมือนเดิมวิธีพูดก็เหมือนเดิมวิธี ท, ทาก็เหมือนเดิมจะมีเอาอะไรใหม่ๆมาในชีวิตนี้เพราะนั้นสิ่งที่ผู้ชาฝ่าไวายพวกเราคือมีแรงเป็นอยู่ที่สัมพันธ์ที่สดทุว น, เ, นเราเราใช้ปัญญากับสัญญาในต่างกันแย่งก็ป้ากระดินจะเราก็จะเาป็นปัญญาปัญญาแต่มันแค่สัญญาตอนนี้เอง ม่ใช่ที่เรสวดไปจสัญญาเปนเที่ยงไม่ให้เป็นเที่ยงสัญญาเป็ทนทุกข์ม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยสวสดทุกวันวัดเช้าวัดตวัดเย็น เ, นเราฟังก็สวดนี่ฟังแล้วก็ได้ผลตามผลก็ผลอยากจะฟังหัวใจลนะที่ศาสนาคือต้องการให้เราเห็นทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาเนี่ยนะให้เป็นใจรักหรือลักษาสามยาน ก็เราก็รู้กันหมดแล้วไม่ใช่ตรงไหนที่ไม่รู้ไม่มีเพราะนั้นถ้าแต่รักยังไม่เกิดขึ้นกับจิตคือสภาวะอย่างนีไม่เกิดขึ้นกับใจมันไม่เป็นมันไม่มีทางที่จะไปลกกว่านี้มันไม่มีทางที่จะละถอนปล่อยวางสิ่งที่มันหนักที่สุดก็คือการห้ามที่เป็นภาระเป็นพันธะสุดท้ายมันวางไม่ได้มันก็เป็นภาะเป็นพันธะคือปกพัน ภาระไปดูรุ่ตรงตัวนางกันไปหมดนนั้นก็เป็นพระ น, นี่เป็นภาระนนพันธะผูกมัดเอาไว้ไปไหนไม่ได้ไปต่อไม่ได้เป็นห่วงไปหมดนั่นนี่น่ น, น, นไม่รู้แพ้ที่จริงแล้วเราต้องไปคนเดียวนะไม่ได้หอมใครไปเลยลูกเก่าเราลานสม บ, บัติพุทสถานที่มันอยู่เอาใครไปไม่ได้สักอย่างมีแต่จิตมีแต่ใจเท่านั้นที่ไปทำงานานี่เพราะมันเป็นภาระเป็นตัวระเป็นพันธะ ที่โผล่มัดเรานะจิ้ดิ้นไม่ได้หลุดไม่ได้เพราะปัญญาไม่หนีปัญญาไม่เกิดแต่ตัวที่มัดเรามากคือตัวสัญญาหละเป็นเชือกมัดเรามัดจนดิ้นไม่หลุดสัญญาคือความจําได้หมายรู้เป็มัดตัวเองจําอะไรขึ้นมากับมัดตัวเองเปิดกั้นตัวเองไปสร้างกําแพงปิด ก, กั้นขวางทางที่จะไปข้างหน้าคือมัดนี้น สุดท้ายก็เต็มไปด้วยกำแพงเต็มไปด้วยเชือกที่มาเต็มไปไหนต่อไม่ได้ติดกันไปหมดนะอ๋นปฏิบัติธรรมคือต้องการทําลา ย, ำลายกำแพงอันนี้ต้องการให้เราแก้เชือกอันนี้ซึ่งมัดเรามานานแสนนานเอาแค่พบนี้ชาตินี้ไม่ได้คือถึงชันจะนะเอาแค่ชั้นเรามีเชือกกี่เส้นแล้วที่มัมดรัดรึงของพวกเราเนี่ยดึงไม่หลุดพวกเราลองไปจินต น, นาการดูลองไปใช้ใดูว่า มันจะต่อปัญญาอย่างไรจากสัญญาตัวนี้จะทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรเมื่อปัญญาไม่เกิดวิปัสนาอยาพึงหวังเลยคนที่มีปัสนาเกิดคนที่มีปัญญาเท่านั้นเกิดปัญญาเท่านั้นจะเรียนวิปัสนาได้มันมันก็ได้แค่วิปัสสนึกคุณนึกของเองว่าอันนี้มันเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้จุดกลายเป็นวิปัสนโนคือกิเลสครอบงา โดยที่ตัวเองก็ไป่รู้ตัวเข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั่นคือปาสนามันไม่ได้ศาสนาที่ศาสนานต้องรู้แจ้งหนนจริงถ้าสี่ขันหา้าดีน้าไฟแล้ ว, วันนี้เป็นใจรักที่เรียกว่าขันหา้าดูไปมาเพรดฉะนั้นขันห้าจีเป็นพระอันหนักข้าระขันห้าเป็นพระอันหนักผู้เราพระราะเรียจากขันทางขันห้าเป็นพระอนหนักหนักธรรมดาหนักมากๆ เพะนั้นแต่ครไม่เกิดปัญญาใช้แค่สัญญาเท่านั้นก็ไม่รู้จักกันห้าไม่รู้จักกันห้าก็แปลว่าไม่รู้จักตัวเอองแบกไปแบกมายืนเดินนั่งนอนแต่ไม่รู้จักแบกไปทําไมเดินทำไมเดอะทําไมเพราะว่าปัญญาไม่เกิดเพราะนั้นเป้าหมายในการปฏบิบัติของพวกเราหรือต้องการเกิดปัญญาคือตัวไหนก็ได้สัญญาเรามีมาเยอะแล้ว จำไว้เยอะแล้วโดยเฉพาะจะเป็นภาคธรรมหรือภาคความจําเยอะเยอะามากเอาภาคปฏิบัติบ้างต้องที่เป็นปัญญามั่งไม่ต้องมากเอาแค่นี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะไปต่อมันเองก้าวแรกไปได้ก้าวสองสามสี่มันไปต่อของมันเองก้าวแรกยังไม่เกิดขึ้นก้าวสองอย่าไปหวังเพราะนั้น ก, นการปฏิบัติทำความคืออันนี้แหละคือพื้นฐานพื้นฐานที่จะนำไปสู่ยอดมุ่งชีดี ถามว่าปัญญาตัวเนี้ยกับคนที่ใช้สัญญากับใช้ปัญญาคือมีอ่คนที่มีสัญญาก็มีปัญญาอันไหนมากกว่ากันก็ดูเฉดีอยู่จากฐานแรกจนถึงยอดและคนที่ไม่มีปัญญาเลยที่เป็นอยู่กับดินอยู่กับน้ําอยู่กับอากาศใครมากกว่ากันอันนั้นคือปริศนาธรรมที่สอนให้พวกเราเห็นมิหาร บทเจดีอะไรนั่นะคือเป็ น, ท, ป น, นามมา ท, ที่เรานำมารมที่เราจะมาเข้าใจเป็นระบบตามสอนเราโอนเป็นอย่างนี้นิดเองเราจะเข้าใจหลักธรรมโดยสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในโลกแบบ น, นี้เราก็จะได้ประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือประโยชน์จากการเกิดมีจะตายประโยชน์ของคนเราเป็สามอย่างคือประโยชน์ปนัจจุบันปัจจุบันเราทําประโยชน์ได้ไหมเราไดประโยชน์ได้ไหมล้วก็เป็นประโยชน์ไหม ประโยชน์เกินประโยชน์ประโยชน์ภายหน้าประโยชน์ภายหน้าก็คือถ้ายังไม่หมดไม่พ้นยักภายหน้าจะมีอยู่มันก็จะเกิดประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพันธิพานนี่น้อยเรื่องว่าน้อยมากน้อยขนาดไหนดูเจดีส่วนบนกับส่วนล่างต่างกันยังไงนั่นแหละคือพันธิพาพันธิพานมันไม่ได้เยอะคนที่จะไปคนที่จะรอดก็ได้ ทำได้เยอะเลยนะเนี่ยคือเป็นศาสนาธรรมสอนพวกเราทุกคนว่าพระโบสถอาหารลานเจดีย์เมื่ อ, อไรนึกอย่างนี้เป็นอุทาหอนเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเราจะเข้าใจหลักธรรมได้โอกระยิกโผคือนน้อมกะหาตัวเองอันนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากการเกิดแก่เจ็บตายและที่สาคัญคือถ้าไม่กลับมาตายอีกเป็นดีที่สุดหรือว่ากลับมาแล้วตายน้อย หรือน้อยพบน้อยชาติให้มันมากสืดเท่าที่ ม, มากได้ก็ตั้งสัจจะเอาไว้ตั้งป้าหมายเอาไว้ว่าจะได้ไม่ได้ไปนเรื่องหนึง่งว่าตามที่พระเจ้าบอกกล่าวสอนตรัสเอาไว้ว่าสามห้าเจชาติเป็นอย่างมากเป็นอย่างน้อยอย่างนี้เราจะมีเป้าหมายชัดเจนได้ไม่ได้มไม่เป็นไรตั้งสัจจะเอาไว้อย่างน้อยเป็นสัจจะบารานีว่าพยายามทําให้พบชาติให้มันน้อยที่สุด พยายามทำให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นวัยตายเกิดให้มันน้อยที่สุดเริ่มแต่บัดนี้เป็นต้นไปตัง้งจิตเอาไว้มันก็จะมีเป้าหมายในจิตของเราชัดเจนแต่ถ้าอยู่ไปวันๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลื่อนลอยไม่มีเป้าหมายไม่ชัดเจนก็ไม่มรู้จะเดินทางไปไหนสุดท้ายก็ไม่ไปไหนคนไปเวีนมาอยู่ในมนาาน่านตาสุงสารนี่เป็นวงกลมเดินจนงงแล้วเริ่มต้นจากเกิดเจ็บแล้วตายแล้วกลับมาเกิดอีกวนไปวนมาอยู่นี่แหละ มันก็เรียกว่าวัฏฏะจนงงกลับมาที่เดิมคือเกิดมันเกิดจะเดิมคือจะตายตายมาที่เกิดเีย่ยวนไปเยนมาอยู่อย่างถ้าเราสลัดคนนีไ้ไลยออกมันยังไม่เป็นเส้นตรงคือยังตัดวัฏตะไม่ได้ยังเป็นเส้นตรงอยู่ยังบรรจบกันอยู่อย่างนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคี่เราพยายามตัดทุกอย่างในแต่ละวันตัดออกให้มันมากสุดเท่าที่มากได้ไเราก็จะได้ประโยชน์จากการเกิดแก่จากตายอันนี้คือสารธรรมสำเราับเรา เช้าววันนี้ก็จะได้นำไปสูก่การปฏิบัติหลังจากนี้ไปก็ไม่ได้อยู่อีกจะบอกเป็นเดือนก็ น, าน่าจะได้รอสิ้นเดือนก็กลับมาได้ก็แนวนี้แหละเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนรับสินเราเรียนโอ o, เรารับเองได้เราสมาทานเองได้คือเจตนาวิรัติคือเจตนาลดเว้นคือตัวเองก็ทําได้เราจะเข้าใจว่าการประเดตธรรมไม่ใช่เรื่องยุ่สสงยากซับซ้อน การที่เรามีสิ่งในแต่ละวันก็พยายามเรีอยอย่างยิ่งใสอนไม่ต้องโดยรอดคนอื่นเราทุกอย่างเราทําเองได้ด้วยตนเองอ น, นี่คือสารธรรมตลอดป่าเราเชาววันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาพวกเราทุกคนที่มาร่วมทำบุญถวายพัะทารเป็นหลัเช้าวันนี้อย่าลืมอุทิศเฉพาะเจะจงความดีที่เราทําแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละครั้งอันนี้